โดยมานะสุขสรุปว่าสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดราคะทุกเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะอุเบคาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะอวิชชาก็มีคําถามบอกว่าเออตอนนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงถ้าบอกว่าถ้าเขารู้สึกสุขปั๊บเรารู้เลยว่าชอบตอนนี้เป็นไงทุกเรารู้เลยว่าชังถ้าบอกว่ารู้สึกเป็นไงแบบเฉยเฉยไม่กล้าพูดพูดแล้วเขาโกรธนะโอ๊ยความโง่เนี่ยนะแม่ คือคือไอ้คำว่าโ ง, ง่เนี่ยเราชอบฟังนะแต่ไม่ไม่ใช่เรานะบอกว่าถ้าเป็นแหมคนนะหนโะง่แบบทำใจไม่ได้นะนะแล้วปกติแล้วพอบอกว่าเฉยเฉยเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขามาก็ชอบถามอ่ะคุณรู้สึกเป็นไงบ้างแบบเฉยเฉยเราก็เรียนอภิธรรมมาใหม่ๆใช่ออ้าวความเฉยเนี่ยนะโลภะมูลจิตมีอุเบกขาอยู่4ดวงโมหะมูลจิตเนี่ยนะอุเบกขาหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็มหากุศลจิตก็มีอุเบกขาอยู่สดวง มหาวิบากก็มีอุเบกขาอยู่4ดวงมหากิริยาก็มีอุเบกขาอยู่สดวงอีกเนี่ยนะแล้วก็อรูปรจตุทชฌานก็เป็นอุเบกขาอารูปประฌานก็อุเบกขาแล้วคุณเนี่ยอุเบกขาแบบไหนเนี่ย น, นะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยนะเขา ก, ก็เปลี่ยนเรื่องคุยเขาบอกคุยด้วยไม่ได้แล้วเขาแบั้นเลยนะเราก็ชอบถามแบบนี้เขาก็โกรธ ก็ชอบตอบเราว่าเฉยอีกเนี่ยนะอันนี้ก็เฉยโง่เนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดเนี่ยเขาโกรธแต่แอบอบอกในใจแล้วอันนี้เฉยอุโมหะแน่นอนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเฉยเฉยอ่ะเฉยแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างบอกอันนี้เฉยอัญญานะเนี่ยนะเฉยแบบไรปัญญาขาดปัญญาเนี่ยคือคุณจะดีจะให้เสียใจเฉยไม่สําคัญสําคัญว่าได้อะไรจากความสุขความทุกขหรือความเฉยเฉยนั้นบ้างได้ปัญญาอะไรเกิดขึ้นบ้างจากความสุขเหล่านั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าในโลกนี้เนี่ยนะผู้ที่เขา เขาสร้างบุญเนี่ยเขาเขามีวิธีสร้างอยู่สองประการด้วยกัน 1. เขาทําบุญกับสองเขาทําญาณสัมภาระเขาเรียกว่าสิ่งที่ที่มีอุปการะคุณมากมีอยู่สองตัว1นยบุญยะสัมภาระสองยาณนะสัมภาระในเหตุการณ์ความสุขความทุกข์หรืออุเบกขาคุณได้บุญอะไรบ้างเออในบุญกิริยาวัตถุสิบหรือเอาย่อๆมาเหลือกสอย่างเนี่ยนะสุขได้ทานศีลภาวนาไหมทุกได้ทานศีลภาวนาไหม เฉยได้ทานศีลภาวนาไหมอันนี้เรียกว่าถ้าสุขก็ก่อให้เกิดทานศีลภาวนาทุกก็ก่อให้เกิดทานศีลภาวนาเฉยๆก็เป็นอ่าก่อให้เกิดทานศีลภาวนาอันนี้ดีนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคุณได้ความรู้อะไรจากความสุขนั้นบ้างที่เรียกว่าญาณะเนี่ยนะญาณะสัมภาระเนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างได้วิชาได้ปัญญาอะไรบ้างจากความสุขอันนั้นบ้างความสุขอันนั้นสอนอะไรคุณบ้าง ความทุกข์อันนั้นสอนอะไรคุณบ้างอุเบคขาครั้งนั้นสอนอะไรคุณบ้างถ้าไม่ได้ความความรู้ไม่ได้สติปัญญา ม, มาจากความสุขความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยคุณก็เสียเวลาชีวิตไปเปล่าเหมือนกันนะนะไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่ได้บุญก็ต้องได้ปัญญานะนะก็พูดพูดแบบเด็กๆก็ได้วิชาสปชเนี่ยนะ ว่าสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตว่าเออเนี่ยอนิจจังมันเป็นอย่างเงี้ยสุขเวทนามเป็นอย่างเงี้ยทุกขเวทนามเป็นอย่างเงี้ยได้วิชาสติสติก็ยังดีเนี่ยนะเออเนี่ยสติสติของความสุขมันเป็นอย่างเงี้ยสติสติของความทุกข์มันเป็นอย่างเงี้ยในที่สุดสุขเรล่านี้มันนํามาซึ่งอะไรบ้างน้อมไปคิดว่าคนทั้งหลายเนี่ยเมื่อสุขเวทนาเหล่านี้เกิดขึ้นอ่ะเขาคิดอะไรกันเมื่อเขามีความทุกข์แบบนี้เกิดขึ้นเขาคิดอะไรกันเมื่ออุเบคาเหล่านี้เกิดขึ้นอ่ะเขาคิดอะไรกัน สุกแบบนี้เนี่ยราคาเหล่านหนเกิดขึ้นบ้างราคาประเภทไหนนะ ท, ทุกแบบนี้เนี่ยโทสะกลุ่มไหนเนี่ยเกิดขึ้นนะถ้าเฉยๆแบบนีน้นำมาซึ่งอะไรเนี่ยนะก็ต้องไปพิจารณาแต่ว่าผู้ที่เขาสมัยก่อนเนี่ยนะเขาที่เจริญเวทานานุปัสนาเนี่ย เขาวิเคราะห์ตัวเวทนาเป็นอย่างนี้ว่าสุขเวทนาคืออะไรองค์ประกอบเป็นยังไงเหตุปัจจัยของสุขเวเนงงทเวานาเป็นยังไงทุกขเวทนาเป็นยังไงเหตุปัจจัยและองค์ประกอบของทุกขเป็นยังไงอุเบคาเป็นยังไงเหตุปัจจัยองค์ประกอบของทุกเป็นยังไงแล้วสุขสะท้อนให้เกิดอะไรทุกเนี่ยมันสะท้อนอะไรออกมาอุเบคามันสะท้อนอะไรออกมาสุขเวทนาโดยมากสะท้อนราคะทุกขเวทนาสะท้อนโทสะถ้าอุเบคาเวทนา โดยมากสะท้อนโมหะเอางี้แล้วกันปัญญาของเราโดยมากเกิดตอนไหนเกิดตอนความสุขมากทุกมากหรือตอนเฉยๆ <c oughs> บอกว่าถ้าบอกว่าถ้าสุขในกุศลธรรมเนี่ยก่อให้เกิดปัญญา น, นะทุกที่มาจากการเจริญกุศลธรรมก็เหตุใกล้แห่งปัญญาอุเบกขาที่เกิดร่วมกับกุศลธรรมนี่ยกอ่กอให้เกิดปัญญาง่ายๆแต่ถ้าสุขในในเรื่องที่เป็นอกกุศลธรรมทั้งหลายนะ ยังไงมันก็ไรปัญญาทุกข์ก็ไรปัญญาเฉยก็ไรปัญญา อ, อยู่ดีหมายเขาว่ากุศลนั่นแหละเป็นเหตุกล้าให้เกิดปัญญาเนี่ยน ะ, ะย้อนกลับมาว่าผู้ที่เขาเจริญเวทนานุปัสสนานี่นะเขาเห็นสมุทัยสัจจะจากเวทนาได้เลยเช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นปั๊บเขารู้เลยว่าสมุทัยสัจจะคือตัณหาเนี่ยเกิดได้ยังไง ถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นตอนนี้โทสะพอโทสะดับไปแล้วก่อให้เกิดตัณหาอะไรขึ้นมาอุเบกขาเหล่านี้ก่อให้เกิดอวิชาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอะไรตามมาเขาก็มองเห็นเลยเนี่ยนะเขบอกว่าเห็นเวทนาก็เห็นทุกขสัสจจะเห็นปรินยยธรรมรอบรู้ในปรินยยธรรมเห็นเวทนาปั๊บรอบรู้ว่ารอบรู้ปหาตปธรรมเข้าใจสมุทัยสัสจจะเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าวิธีพิธีพิจารณาของ ท่านท่านจะพิจารณาว่าเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคาม่มีปฏิปทาหรืออีกในหนึ่งก็คือเวทนาเหตุเกิดของเวทนาความดับเวทนาแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาเนี่ยนะแล้วก็มองเห็นว่าเวทนาเนี่ยก่อเวทนาเหล่านี้เนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยที่สร้างเวทนาเหล่านี้เกิดทีนี้เมื่อเวทนาทั้งหลายเหล่านี้เกิดถ้าก่อให้เกิด การมราคาปฏิฆะและอวิชชาแล้วเนี่ยอะไรจะตามมาราคะโทสะมโมหะเป็นเหตุแห่งชาติชราและมรณะพัน้าสุขเวทนาก่อให้เกิดการมราคะทุกขเวทนาเกาะให้เกิดปฏิฆะเนี่ยนะทุกขะมสุขเวทนาก่อให้เกิดอวิชชาก็คือราคาโทสะและโมหะสุขเวทนาเนี่ยใกล้ต่อราคะทุกขเวทนาใกล้ต่อโทสะอุเบคาเวทนาใกล้ต่อมโมหะก็แปลว่าเวทนาทั้งปวงเหล่านี้ก็ ใกล้ต่อชาติชาราและมรณะเนี่ยนะเพราะเป็นตัวเชื่อมเวทนาเชื่อมไปหาชาติชารามรณะก็คือตัวราคะโทสะและโมหะและสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการมราคะคืออะไรสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะคืออะไรสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโมหะนั้นคืออะไรเนี่ยนะนี่คำถามต่อไปเนี่ยนะว่าพระเมเจ้า ราคานุสัยย่อมตามนอนอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือปฏิคานุสัยย่อมตามนอนอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดหรืออวิชานุสัยย่อมตามนอนอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งปวงหรือหมายความว่าความสุขทุกชนิดนํามาซึ่งการมราคะหมดเลยใช่ไหมทุกความทุกสารพัดอย่างนํามาซึ่งโทสะหมดเลยใช่ไหม อุเบกขาทุกอย่างนำมาซึ่งอวิชชาทั้งหมดใช่ไหมคาถามก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่หามิได้นะตอนท้ายบอกหามิได้ก็แปลว่าไม่ใช่หรอกพันาราคานุใสจะนอนอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่ปฏิคานุัยจะนอนอยู่ในทุกเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่อวิชานุใสจะได้มาซึ่งอาจทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่คือไม่ใช่ทั้งหมดแต่พูดโดยมากโดยมาก วิสาขาอุบาสกก็ถามต่อไปอีกว่าอะไรอันสุขเวทนาจะพึงละได้อะไรอันจะพึงละได้ด้วยทุกขเวทนาจะอะไรจะพึงละได้ด้วยอทุกขมสุขเวทนาคือหมายถึงธรรมทินาภิษุณีก็บอกว่าราคานุสัยเนี่ยละได้ด้วยสุขเวทนาปฏิคานุสัยละได้ด้วยทุกขเวทนาอวิชานุสัย ละได้ด้วยอทุกขามาสุ ข, ขเวทนาถ้าใครรอบรู้ความสุขถ้าไม่ติดความสุขจริงๆเนี่ยราคะจะเกิดไหมถ้าไม่โกรธในความทุกข์จริงๆแล้วมีอะไรจะให้โกรธไหมแล้วก็ถ้าความเฉยใดที่จะก่อให้เกิดโมหะไม่มีเนี่ยนะจะมีอวิชชาอะไรเกิดขึ้นบ้างหมายว่าถ้ารอบรู้สุขจริงๆก็จะละกา ม, มาราคะได้ถ้ารอบรู้ทุกข์จริงๆก็จะละโทสะได้ถ้ารอบรู้อุเบกขาจริงก็จะละอวิชชาได้ ทีนี้คำถามว่าราคานุสัยจะพึงละเสียในสุขเวทนาทั้งหมดเลยหรือคือหมายความว่าถ้าจะละราคะเนี่ยต้องละในสุขเวทนาทั้งหมดใช่ไหมถ้าจะละโทสะก็ละในทุกขเวทนาทั้งหมดใช่ไหมถ้าจะละอวิชานุสัยก็ต้องละในอุเบกขาเวทนาทั้งหมดใช่ไหมราคะจะละในสุขเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่หรอกปฏิฆาปฏิคานุสัยจะละในทุกเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่ อวิชานุสัยจะละในอทุกขมัติถุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาทั้งหมดก็ไม่ใช่ก็แปลว่าสุขเวทนาไม่ได้ว่าเป็นที่ตั้งแห่งการละราคะทั้งหมดเนี่ยนะคำถามต่อไปอีกว่าพระแม่เจาราคานุสยัยปฏิคานุสยัยอวิชานุสัยละได้ด้วยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาทั้งปวงเลยหรือ ราคานุสัยปฏิคานุสัยอวิชานุสัยจะพึงละได้ด้วยสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาทั้งปวงก็หามิได้อธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากการสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายนั่นเทียวได้บรรลุปถมฌานอันประกอบด้วยวิตกวิจารปีติแลสุขเกิดจากวิเวคคืนิวอนห้าอยู่แล ท่านย่อมละราคะด้วยปฐมฌานนั้นราคานุใสจะได้ตามมานอนในปฐมฌานนั้นหาไม่ได้คือหมายคขาว่าร า, ราคะเนี่ยนะมันไม่ได้นอนอยู่ในในใ น, ในสุขเวทนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญอสุภกรรมฐานเจริญอสุภะกรรมฐานจนได้ปฐมฌานอาศัยปฐมฌานเป็นบาตเจริญสมวิปัสนาเนี่ยนะ จนเกิดขึ้นในจนอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นคืออนาคามีมรรคเกิดขึ้นเมื่ออนาคามีมรรคเกิดขึ้นแล้วถัดจากนั้นไปการมราคานุสัยก็ยุติเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นอันเลิกเกิดเนี่ยนะหรือว่าดับดับได้หมดเลยเนี่ยนะวันในอัตถกาธาน้า351เนี่ยนะกลางกลางหน้าบอกว่ากลางล่างๆะนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ข่มการมราคานุสัยได้ด้วยปฐมฌาน ทำราคานุใสที่ฌานข่มไว้แล้วเนี่ยข่มไว้แล้วนั่นแหละเจริญวิปัสนาถอนการมาราคานุใสได้เด็ดขาดด้วยอนาคามีมัจราคานุใสจะพึงละได้ด้วยอนาคามีมัจเพราะฉะนั้นราคานุใสจะชื่อว่านอนเนื่องกับฌานที่หนึ่งที่มันถูกข่มเอาไว้ก็ไม่ใช่เนี่ยนะหมายถาว่าการมาราคานุสัยมันไม่ได้นอนอยู่ในปฐมฌานหรอกเพราะว่าผู้ที่ได้ปฐมฌานเนี่ยนะเป็นบาทเจริญวิปัสนาจนได้อนาคาเมมัจก็กําจัด ราคานุใสได้อย่างเด็ดขาดอั น, นึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาอยู่ว่าเมื่อไรเราจะได้บรรลุอายตนะคืออรหัตผตลที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุแล้วแลอยู่บัดนี้แลอย่างนี้เมื่อไรเนาะเราจะได้ในอรหัตผตลแล้วเข้าพระสมาบัติอยู่ได้เหมือนท่านดังนั้นเมื่อภิกษุเข้าไปตั้งความรักใครทยานไว้ในวิโมก ซึ่งอนุตตรธรรมทั้งหลายปราทานาที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมคือมรคนิพพานเนี่ยนะเพราะความรักไคทยานในวิโมกเป็นปัจจัยต้องการบรรลุเป็นภาทันอย่างแรงกล้าเสร็จแล้วปฏิบัติก็ไม่ได้บรรลุโทมนัตย่อมเกิดขึ้นท่านละปฏิคานุสัยเพราะความทยานอยากในอนุตระวิโมกนั้นปฏิคานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องอยู่ในย่อมไม่ความทยานอยู่ในอนุตตรวิโมกนั้นอธิบายว่า อัตถกาถานะบอกว่าอารหัตผลชื่อว่าที่พึ่ง<ม>เพราะว่าเป็นที่โล่งใจอย่างยิ่งคำว่าอันยอดเยี่ยมก็คือด้วยประการชนิดผู้ที่มีผู้ที่ตั้งความปรารถนาในอรหัตตผลที่ได้ชื่อว่าวิโมกอันยอดเยี่ยมด้วยประการชนิดเนี่ยนะเรียก ว, ว่าโทมนัสเกิดขึ้นเพราะความกระยิ่มเป็นปัจจัยอธิบคือโทมนัสเกิดขึ้นเนี่ยนะอาศัยมูลมาจากความปรารถนาทั้งสิ้น แต่โทมนัตนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยท่านกล่าวว่าโทมนัตมีความไม่ได้เป็นมูลเมื่อเกิดแก่ผู้ปรารถนาแล้วไม่ได้ก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะความกระยิมหรือปรารถนาอรหัตผลเป็นปัจจัยก็บอกว่าถามว่าแล้วความเสียใจที่ตั้งความปรารถนาอยากจะบรรลุมรรคผลแล้วไม่ได้บรรลุเนี่ยนะความเสียใจอนั้นควรเจริญหรือควรไม่ควรเจริญควรเจริญไหม เสียใจตั้งความปรารถนาแล้วไม่บรรลุแล้วเสียใจที่ไม่ได้บรรลุความเสียใจแบบนี้ควรให้เกิดหรือไม่ควรให้เกิดบางท่านบอกว่าถึงแม้ว่าโทมนัสในความปรารถนาไม่ได้นั้นเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวก็จริงถึงอย่างนั้นท่านก็พึงให้เสพเอาไว้แปลว่าควรเจริญความเสียใจอันนี้ควรเจริญเนี่ยนะความเสียใจเสียใจที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนี่มันควรเสียใจนะ เพราะความเสียใจแบบนี้ไม่นานจะบรรลุแต่ถ้าไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยอีกนานแน่นอนเชื่เหรอนะถามว่าทําไมเอามันก็ไม่ขวนขวายก็ไม่เห็นเป็นไรฉันไม่บรรลุก็ไม่เห็นว่าต้องเดือดร้อนอะไรมันฉันก็เฉยๆต่อไปแต่ถ้าหากว่าเสียใจที่ตัวเองไม่ได้บรรลุเนี่ยถ้าเสียใจแบบนี้บ่อยๆจะยอมทนแบบนั้นตลอดไปไหมไม่ยังไงก็ขวนขวายจนได้ตรัสรู้ถามว่มท่านบอกว่าควรเจริญ เขบอกว่าเสียใจเรื่องอื่นทำไมยอมเสียใจได้ใช่ไหมเสียใจเพราะบาทสองบาทเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะเสียใจเพราะข้าวเพราะน้ําแก้วเดียวเสียใจเพราะดอกไม้ดอกเดียวเสียใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีเรื่องพวกนั้นแล้วเสียใจได้แล้วทาไมไม่เสียใจบอกว่าทําไมตัวเองไม่บรรลุสักทีเสียใจแบบนี้ควรเสียใจเพราะเสียใจเรื่องราวทั่วไปเขาเรียกว่าเสียใจเพราะอาศัยวัตถุกรรมทั้งหลาย ไม่ได้เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลแต่เสียใจเพราะไม่ได้บรรลุมรรคผลความเสียใจอันนี้เป็นเหตุใกล้ให้ได้บรรลุมรรคผลเพราะใจจะน้อมไปเพื่อการบรรลุเนี่ยนะ